พวกเรามาสนใจเรียนก็ดีนะค่อยๆเรียนไปถ้าเรียนแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่ตายไม่ตายเรียกข้ามพ้นมัจจุราชร่างกายตายนะขันท่าแตกแต่ทำแล้วไม่ตายเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าชื่อโมคราชไปถามพระพุทธเจ้าว่า แค่แต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นต้องถามหลายหนนะถามครั้งที่สามพระเจ้าถึงตอบถามครั้งแรกท่านก็เฉยเฉยครั้งที่สองก็ยังเฉยถ้าทิ้งเวลาให้คนอื่นถามไปก่อนทีมของท่านมีสิบหกคนท่านอาวุโสเป็นอันดับสามถึงอันดับสามขอถามท่านพระเจ้าก็ไม่ตอบที่สี่ก็ขึ้นมาถามแทนอย่างี้ าถามจบท่านถามอีกท่านไม่ตอบอีกท่านก็เลยนั่งเงียบๆไปจนถึงคนที่15ลองโลละถามพระเจ้าก็ตอบว่าให้ท่านมีสติทุกเมื่อนะบอกให้ท่านอะดูก่อนโมคราชให้ท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อนะตามที่ารนาเห็นโลกโดยความว่างเปล่านะแล้วก็ถอน การตามหมายว่าเป็นตัวเป็นตนซะถ้าท่านทำา3อย่างนี้อันแรกมีสติทุกเมื่อที่2ตามเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่านะอันที่สถอนความสำคัญมั่นหมายความคิดเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนซะในสาอันสิ่งที่หลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละ มีสติอยู่เรื่อยๆนะสติบ่อยๆจะบอกว่าสติทุกเมื่อเนี่ยก็ไปนั่งเพ่งอีกเลยบอกสติเนืองเนืองแต่อย่าเนืองนานนักก็แล้วกันนะให้มันทีทีแล้วตามเห็นอะไรตามเห็นโลกตามเห็นโลกโดยความเป็นอะไรโดยความเป็นไตรลักษณ์นี่สำหรับท่านโมคลาท่านมีปัญญามากพระเจ้าก็เลยบอกตามเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเห็นอนัตตา คำว่าเห็นโลกคืออะไรเห็นโลกก็คือเห็นรูปกับ น, นามเห็นกายกับใจนี้คำว่าโลกไม่ใช่สิ่งอื่นนะโลกก็คือกายยาวานาคืบกว้างศอกที่มีใจคลองก็คือรูปประธรรมนามธรรมนี่แหละที่เรียกว่าโลกเงี้ยท่านเห็นให้เห็นโลกโดยความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ตนคอยถอนความเห็นผิดความรู้สึกผิดๆว่าเป็นตัวตนซะท่านไม่ได้สอนบอกว่าจงไปดูความว่างเปล่านะ นบอกให้มีสติทุกเมื่อแล้วก็ตามเห็นโลกสิ่งที่เราเห็นคือเห็นโลกเห็นรูปเห็นนามเห็นกาเห็นใจท่านโมคราชฉลาดมีปัญญามากก็เห็นโลกเป็นอนัตตาเห็นโลกว่างเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูอนัตตาดูความว่างเปล่าดูสุญญาตานะคนละเรื่องกันเลยบางคนนะเอาพระสูตร น, นี้ไปอ้างบอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูสุญญาตาไม่มีนะสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้รูปรู้นา ม, มให้รู้โลก แล้วถอนความตามรู้ว่าเป็นตัวตนถ้าเป็นยังไงนะก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดทุกวันทุกวันแหละนะอย่างเราเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะเรารู้เลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนมันเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดนิน น, นั่งนอนเนี่ยค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่คิดนะแต่เป็นความรู้สึกเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นนความโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธนะ จิตมันโกรธของมันขึ้นมาหรือเปล่าจิตก็ไม่ได้โกรธต่ความโกรธมันผุดขึ้นมาในจิตผุดขึ้นมาให้จิตรู้แล้วถ้ารู้ไม่ทันก็ครอบงำจิตจิตยังไม่ได้โกรธเลยเราก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าความโกรธไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยคอยรู้ลงไปที่ตัวสภาวะนะเราก็เห็นว่าตัวสภาวะมันไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่ท่านสอนท่านโมคราสนะงั้นพวกเราก็เอาไปทาได้ คอรู้สึกอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะกายกับจิตไม่ใช่เราหรอกแค่รู้สึกไปเรื่อยเห็น <c oughs> แต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีเหตุก็เกิดโมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยเห็น <c oughs> ไหมธรรมะหลายพันปีแล้วก็ยังสอนอย่างเดิมนั่นแหละนะหลวงพ่อก็สอนเท่านี้เองนะ ไม่มีสอนนะว่าหายใจมีกี่จังหวะจะหยิบข้าวหยิบของมีกี่จังหวะจะเดินหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะไม่ได้สอนทำไมไม่ได้สอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไว้หลวงพ่อจะเอาปัญญาที่ไหนไปสอนเราไม่ได้ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนเกินที่ท่านสอนท่านสอนให้มีสติทุกเมื่อสติจาเป็นในที่สถานทุกสถานในการทุกเมื่อ รู้สึกไว้รู้สึกไว้คําว่าสติให้รู้สึกอะไรรู้สึกโลกรู้สึกกายรู้สึกใจสติที่รู้สึกกายสติที่รู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติที่ไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสตินี้เกิดแก่จิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงแต่มันบางทีมันก็ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่รู้กายรู้ใจเฉพาะสติที่รู้กายรู้ใจถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐานนี่แหละเป็นทางเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเาเรียกว่ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเรียกรู้โลกแจ่มแจ้งโลกภายในหรือโลกภายนอกก็แจ่มแจ้งพร้อมๆกันนั่นแหละถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะเราก็จะเห็นโลกภายนอกไม่ใช่เราไปด้วยพร้อมๆกันนะ่ะเรียกว่ารู้ทั้งภายในภายนอกนะไม่เห็นมีความแตกต่างระหว่างภายในภายนอกไม่มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอีกต่อไป พวกเราตอนนี้มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอยู่ mm hmm. เวลาเราภาวนาแลรวสึกมีข้างในมีข้างนอกนะอันนี้อยู่ในช่วงของทางผ่านคนทึ่ไม่เคยภาวนาเลยก็ไม่มีข้างในข้างนอกมีอันเดียวข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวคือเป็นตัวเราหมดเลยเป็นถ้าไม่ใช่ตัวเราก็ของเราถ้าไม่ใช่ของเราก็ของที่ไม่ใช่ของเราน mm hmm. มันหาเรามาใส่จนได้นะของคนอื่นแล้วก็ยังบอกของที่ไม่ใช่ของเราก็ได้ อะไรๆมันก็มีเราแทรกอยู่ตามรู้นะตามรู้ลงไปเรื่อยสุดก็เห็นไม่มีเราวันใดที่เห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่เรานะโลกว่างเปล่าได้โซดาคนทั่วๆไปมันภายในภายนอกมันเป็นอันเดียวกันเลยมันรู้สึกว่าจริงจังไปหมดตัวเรากับโลกเป็นเดียวกันพอผู้ปฏิบัติเริ่มแบ่งแยกโลกก็อยู่ข้างนอกสิเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไห มาคอยรู้กาย Cold, มาคอยรู้ใจอยู่ภายในนี่ของภายนอกอยู่ต่างหากฝึกไปเ ร, looking, รื่อยๆยังเห็นอีกร่างกายก็ยังเป็นของนอกๆอีกละเวทนาก็เป็นของนอกๆกุศลกุศลทั้งหลายก็เป็นของนอกๆอยู่ข้างนอกอีกละมีชั้นนอกมีชั้นในภาวนาไปแล้วมี2ชั้นนะมีข้างนอกข้างในจะรู้สึกแตกต่างกับคนซึ่งภาวนาไม่เป็นคนภาวนาไม่เป็นมี1ึ่งมี1คือเรา ผู้ปฏิบัติจะเห็นนะว่ามีสภาวะธรรมหลายอันมีข้างนอกมีข้างในมีที่หยาบมีที่ละเอียดมีธรรมที่เป็นคู่คู่แต่ภาวนาสุดขีดไปแล้วนะเป็นอีกอย่างเนอะเป็นอันเดียวรวดเลยแต่อันเดียวรวดแบบไม่มีเรารับข้างกับคนทั่วๆไปตรงนี้เองคนทั่วๆไปมีหนึ่งเดียวรวดคือมีเรารวดเลยภาวนาถึงสุดขีดแล้วไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกนะพอมันปล่อยสักอย่างเดียวตัวอย่างก็รวมเข้าเป็นอันเดียวกันหมด เหมือนอย่างนี้นะหลวงพ่อถืออยู่อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถือนี่ไม่ได้ถือพอหลวงพ่อปล่อยแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดกลายเป็นว่าธรรมทั้งหลายก็เป็นหนึ่งเดียวรวดจิตก็เป็นหนึ่งเดียวรวดเรียกว่าจิตหนึ่งธรรมหนึ่งเนี่ยภาวนาไปนะวันหนึ่งก็จะเจอจิตหนึ่งธรรมหนึ่งวันที่เจอจิตหนึ่งธรรมหนึ่งนะสถานสะเทือนอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ มีความสุขอะไรขนาดนั้นความสุขเหมือนธาตุขันของมนุษย์จะแตกสลายมีแต่ความสุขล้วนๆเลยใครฝึกเอานะฝึกเอาแล้จะมีความสุขจิตนะกับโลกเป็นอันเดียวกันเลยของเราตอนนี้เราแยกจิตกับโลกออกจากกันรู้สึกไหมคนในโลกนะั้นมันรวมเป็นก้อนเดียวกันของเราลงมือปฏิบัตินะเราแยกจิตกับโลกออกจากกัน จิตมันตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไปเรื่อยๆนะเราเห็นโลกแสดงไปเห็นขันห้าแสดงไปจิตเป็นคนดูเมื่อภาวนาสุดขีดนะสติปัญญาแก่รอบเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเห็นแจ้งอริยสัจตรงนี้เป็นคีย์ของการปฏิบัติเลยถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจไม่พ้นทุกข์หรอกเราเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยมันจะสลัดคืนจิตคืนให้โลกไปทุกอย่างก็เป็นอันเดียวกันรวดเลย มันไม่ยากนะไม่ยากหรอกมันเมื่อไหร่จุดความปรุงแต่งไว้นั้นก็เห็นแหละ<น>แต่ใจของเรามีธรรมชาติปรุงแต่งนี่มันยากตรงนี้ใจของเรามีธรรมชาติปรุงแต่งพอใจเราปรุงแต่งเราก็ไปช่วยใจปรุงแต่งด้วยเลยไปกันใหญ่ปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งทีแรกจิตมันปรุงของมันเองเท่านั้นไม่พอนะเราไปช่วยมันปรุงด้วย<น>ก็เลยยุ่งเหยิงซับซ้อน เหมือนขยุ้มได้พระพุทธเจ้าบอกเหมือนขยุ้มได้นะได้มาก้อนหนึ่งเนี่ยขย่ำขย่ำไปไม่รู้เลยต้นปลายมันอยู่ที่ไหนนะยุ่งเหยิงไปหมดเลยไม่ต้องไปสาวนะกว้างมันทิ้งไปทั้งขดนั่นแหละไม่ต้องไปหาเงินต้นเงินปลายมนะันกว้างมันทิ้งไปถ้าเรารู้แล้วไล่สาระก็โยนทิ้งไปถ้าเห็นว่ามีสาระก็ยังยึดเอาไว้ค่อยฝึกหนะ้าวันหนึ่ง จะรู้แช้งเห็นจริงจะเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าสุดๆเลยมอบกายถาวายชีวิตเต็มจริงๆเลยอัศจร์ในสิ่งที่ท่านคนพบทำไมเนาะท่านอัศจร์จริงๆท่านคนพบของที่ธรรมดา <c oughs> ใครๆเขาต้องหาของไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องประเภทอันศีนถึงจะตื่นเต้น พ ciel, ุทธเจ้านะเข้าใจสิ่งซึ่งเห็นอยู่ตาหน้าตาตาทุกวันนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอหน้าตาตาก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี้แหละกายกับใจนี้เข้าใจตัวนี้ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะเห็นตัวเราไม่มีมันก็หมดความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นพระโสดาบันก็มารู้กายรู้ใจไปอีกรู้การู้ใจไปอีก ก็ค่อยๆลดละอนุสัยกิเลสไปนะสติสมาธิปัญญาก็แก่รอบขึ้นอนุสัยกิเลสก็ลดละลงไปเรื่อยๆวันที่ขาดจากกัรเนี่ยนะไม่ได้ไปขาดที่อนุใสแต่ขาดที่อาสะวะอาสะวะเป็นกิเลสที่ย้อมใจเป็นกิเลสที่ซึมซ่านมันเป็นคล้ายๆเป็นสื่อนะที่ทําให้กิเลสเนี่ยซึมซ่านเข้าสู่จิตได้ พอวันหนึ่งจิตหลุดจากอาสวะแล้วคล้ายๆขาดเครื่องมือแล้วขาดตัวเชื่อมต่อไม่มีตัวอินเทอร์เฟซขาดตัวเชื่อมต่อก <c oughs> ิเลสไหลมาสู่จิตไม่ได้ฟังเล่นๆนะฟังเล่นๆอากาศเย็นๆสบายๆฟังธรรมะสบายๆง่ายๆง่ายๆนะไม่ยากหรอกอย่าปรุงแต่งอย่าคิดมากคิดมากก็คือปรุงแต่งมาก ให้รู้เอานะรู้กายรู้ใจไปแล้วจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพูดซื่อๆเลยแต่ไหนแต่ไรมานะแต่ก่อนเนี่ยเวลาพูดธรรมะตั้งแต่อยู่เมืองการอยู่เลยคนจะนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นนะพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปต้องยิ้มไว้ก่อนแหละนั่นเดี๋ยวพวกเราตกใจยิ้มไว้จะได้มีกําลังใจ คนนึกว่าเราพูดเล่นๆนะควจริงเราพูดสภาวะทำให้ฟังล้วนๆเลยพูดซื่อๆเลยของที่ซื่อๆนะบางทีฟังแล้วขำนะ <c oughs> ค่อยรู้สึกนะรู้สึกไปหรือวันหนึ่งก็เข้าใจเข้าใจเป็นลําดับลําดับไปนะไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ธรรมะคือธรรมดาภูมิที่เหมาะที่สุดที่จะรู้ธรรมะก็คือภูมิของมนุษย์นี่เอง ภูมิเอื่นไม่เหมาะที่จะรู้ธรรมะหรอกเจริญสติยากอย่างสัตว์นรกนะมันก็ทุกอย่างเดียวเลยจิตมันเต็มไปด้วยโทสะอย่างเดียวเลยถ้ามันไปดูมันจะรู้สึกโทสะเที่ยงไม่เห็นเปลี่ยนเลยเหมือนกันทุกวันเลยพวกเปรตมันก็โลบอย่างเดียวเลยจิตเต็มไปด้วยความโลบความหิวก็หายสัตว์เดรัจฉานมันก็เมื่อมันอยู่ทั้งปีอย่างนั้นเลยใจลอยอยู่ทั้งปีมีแต่หลงกับหลง เป็นอสุรกายนะเจ้าทิิเจ้าทฤศฎีอสุรกายเนี่ยส่วนมากจะมีดีกรีนะระดับปริญญาโทป ร, ริญญาเอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อสุรกายมีเจ้าทิฐิเจ้าทิิพวกนี้ก็ยึดแต่ความคิดความเห็นไม่เหมาะที่จะทำวิพั ส, สนา สัตว์นรกก็ทุกข์เกินไปไม่เหมาะที่จะทํำมิปัสนาเปรดนะก็กระหายต้องการมากไปทํำมิปัสนายากเทวดาก็สบายเกินไปทํำมิปัสนายากนะขึ้นไปส่องกระจกดูอู้ฉันก็สวยนี่สวยมาแสนปีแล้วนะยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะมีความสุขทุกวันเลย น, ะนี่ความสุขเที่ยงนะหรือพลมนะมีแต่ความสงบ มีความสุขสงบบ้างมีความสงบเฉยๆบ้างนะกี่ปีกี่ชาติแสนชาติแสนกลับอะไรเงี้ยนะอยู่ไปอยู่ไปเป็นหมื่นหมื่นกลับเป็นพันพันกลับอะไรเงี้ยโลกแตกแล้วแตกอีกพรหมเห็นจักรวาลเกิดดับนะแต่พรหมไม่เห็นตัวเองเกิดดับ <c oughs> เห็นจักรวาลเกิดดับนู่นมันเกิดขึ้นมานะแล้วมันก็ดับวับลงไปนะมันสลายไปนะ ละอองของมันก็กระจายไปเดี๋ยวก็ไปรวมเกิดขึ้นไปอีกละแล้วก็สลายไปอีกละอย่างเงี้ยเห็นแต่จักรวาลเกิดดับแต่ไม่รู้นะว่าจักรวาลไหลมาจากไหนจักรวาลไหลไปไหนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนไม่รู้หรอกนะรู้สึกผุดขึ้นมาจากความว่างๆนั้นเป็นอมะตะไม่เห็นตายสักทีเลยเห็นแต่คนอื่นตายยกเว้นชั้นไม่ตายสักทีพวกมีฉาทิฐินะ ไม่เหมาะที่จะทํำวิปัสนาหรอกภูมิมนุษย์นี่เหมาะกับการทํำวิปัสนาที่สุดเพราะมนุษย์นี่สําสอนจิตใจเราเนี gilt, right? minute, minute, Their Their life life ่ยกลับกรอกยอกย้อนใช่ไหมในหนึ่งนาทีเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปทั้งหลายรอบล้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนเใจมนุษย์เนี่ยกลับกรอกตลอดเวลาของกลับกรอกนี่แหละเราเห็นความไม่เที่ยงง่ายมันเปลี่ยนแปลงง่าย ของกลับกรอกเนี่ยเราเห็นความทนอยู่ไม่ได้ง่ายของกลับกรอกเนี่ยเราเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้ของเที่ยงเรารู้สึกบังคับได้ของเที่ยงไม่มีจริงหรอกมันเที่ยงชั่วคราวงั้นเป็นมนุษย์น่ะดีที่สุดละสมหัวใจมนุษย์ไว้เป็นมนุษย์ธรรมดาไว้นะเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นยังไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่างนี้แหละ นี่แหละเหมาะกับการทำพิปัสนาที่สุดเลยนจะเห็นได้ง่ายว่าสุขก็ม่เที่ยงทุ ก, ก็ม่เที่ยงนะกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอยู่ได้ชั่วคราวความสุขวิ่งหาแทบตายเลยพอได้มานะแวบเดียวก็รู้สึกงั้นๆอีกแล้วใครเคยรู้สึกไหมความสุขบางอย่างนะกว่าจะได้มาตั้งนอนเนะี่ยอย่างไอ้หนุ่มคนนึงจีบสาวนะต้องเป็นสาวรักนวลสงวนตัวแบบสาวโบราณหน่อยสาวสมัยนี้จีบหนุ่มนะทีห่หลวงพ่อรู้ ผู้ชายทุกวันนี้เหมือนดอกไม้ริมทางบางคนนะเห็นอย่างนี้สลดใจเลยหนีมาบวชนนะ่ะองสุดท้ายนั่นนะ่ะบอกว่าไม่ไหวละผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางเนี่ยบางทีสาวจีบหนุ่มหน่มจีบสาวนะจีบกันตั้งนานนะพอได้มาแล้วก็งนนะั้นงั้นแหละต้องถามคนที่มีเมียแล้วแต่อย่าถามต่อหน้าเมียเขานะจะไม่ได้ความจริงเพราะว่าคนพูดความจริงตายได้เหมือนกัน ความสุขในโลกนะดิ้นแทบตายเลยได้มาแล้วก็งั้นๆแหลนะพองั้นงั้นแล้วใจจืดชื่ อ, อใจอย่าหิวของใหม่อยากได้อันใหม่ละไปดิ้นอีกนะแล้วก็ทุกอีกแล้วทุกทุรนทุลายดิ้นรนมาก็ได้มาแล้วก็งั้นๆแหลนะเนี่ยตลอดชีวิตมีแต่เรื่องแบบนี้ดิ้นไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆแล้วก็งั้นๆแหละไม่เห็นมีอะไรภนะาษาจีนบอกว่ามักคังคังตาว่างเปล่า นึกว่ามีอะไรดูไปแล้วว่างเปล่าไม่มีอะไรนะแม่ของแม่ชีนุษย์เนี่ยบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะตอนจะไปก็อยากไปนะไปแล้วก็กลับมามักครังคไั่งเห็นมีอะไรเลยลืมหมดเกลี้ยงเลยนะโลกนีงจริงว่างเปล่านะไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเพราะเราไปเข้าใจผิดเราไปตามเห็นผิดผิด เลยรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมามีแก่นสารสาระขึ้นมาผู้มีสติผู้มีปัญญามองเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าไร้แก่นสารไร้สาระเห็นไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดว่ามันมีแก่นสารหรือไม่มีนะตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่ามันไม่มีแก่นสารสาระหรอกพอรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งถึงอกถึงใจรู้แล้วรู้อีกถึงอกถึงใจแล้วจะวางพอวางก็พ้นทุกข์ละวางก็ว่างใจก็เข้าถึงว่าง ว่างอันแรกว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสก่อนคือกิเลสเนี่มาย้อมใจไม่ได้เพราะอาสะวะดับไปแล้วไม่มีขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่มาย้อมใจไม่ได้ต่อไปว่างจากขันนะในวันที่ชีวิตแตกดับไปว่างจากขันหมดภาระที่จะแบกหามขันนั้นเวลาพระอรหันต์คิดถึงความตายนะคิดถึงด้วยความร่าเริงใจโอ้หมดภาระถ้ายัง มีขันอยู่มีภาระนะอย่างครูบาจารย์บางองค์อายุมากเก้าสิกว่าใช่ไหมเราก็อยากให้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆอยู่จนเราแก่ตายไปก่อนท่านอย่างเงี้ย <c oughs> ท่านก็อยู่ไปท่านก็ต้องแบกภาระนะถ้าวางภาระไปแล้วสบายมีบางคนนะชอบไปนิมนต์ครูบาจารย์อย่างหลวงปู่ขาวนอนเศล้าอยู่งั้นนะนอนทรมาน ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรเลยจนเนื้อหนังท่านนี่ใสไปหมดเลยนะทรมานในสุดคนที่แปราธนานะทนดูไม่ไหวเห็นท่านทรมานมากก็ไปบอกเลิกท่านนะท่านก็ไปเลยเมงนั้นก็ไปยือย้อยืไว้ต้องไปแบกขันขันนี่เป็นตัวทุกนะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษทุกวันนี้เรายังไม่เห็นว่าขันเป็นตัวทุกเรเรายังเห็นว่ามันทุกบ้างสุกบ้าง ถ้ายังหนุ่มยังสาวก็รู้สึกว่ามันสุขมากกว่าทุกพอแก่แล้วก็รู้สึกว่ามันทุกมากกว่าสุขแต่มันก็ยังมีสุขอยู่ดีแก่ขนาดไหนก็ยังรู้สึกว่าขันมันก็ยังมีสุขอยู่ยกตัวอย่างนะแก่งอมนะหายใจขมั่วขมวลูกขึ้นมาก็ไม่ไหวละลูกหลานมาเยี่ยมใช่ไหมก็ยังมีความสุขเนี่ยใจมันยังขันนี่ยังมีความสุขได้อยู่เฉะนั้นตราบใดที่ยังเห็นว่าขันมีความสุขได้อยู่นะไม่วาง วันใดเห็นว่าขันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆถึงชาวางนี้เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นขันเป็นทุกข์รู้ทุกข์แจมแจ้งการรู้ทุกข์แจมแจ้งก็คือกิจอันที่1ในอริยสัจถ้าทํากิจอันที่1ในอริยสัจเสร็จนะอันที่2องสามสี่จะเสร็จโดยอัตโนมัตินะจะเสร็จพร้อมกันเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งนะก็ละสมูทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยามรรคในขณะเดียวกันนั้นเลยนะพร้อมๆกัน หรือถ้าเกิดอริยมรรคนะในขณะนั้นก็รู้ทุกข์ละสมูทัยแจ้งนิโรธพร้อมๆกันในขณะที่แจ้งนิโรธนะั้นก็รู้ทุกขลาสมูทัยเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกัน น, นั่นเองในขณะละสมูทัยนะั้นก็รู้ทุกขแฉมแจ้งในนิโรธเกิดอริยมรรคเหมือนๆกันพร้อมๆกันเป็นธรรมะที่อศัศจรรย์มากเลย เพรนั้นตบใดที่ยังไม่รู้ทุกข์เกี่ยมแจ้งหรือยังไม่ล้าสมุทยัยหรือยังไม่แจ้งนิโรธหรือไม่เกิดอรหัตตะรักเนะี่ยยังทุกข์อยู่ไม่พ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดสิ่งเหล่านี้ฟังเหมือนยากแต่ว่าจริงๆไม่ยากอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกไปได้นะรู้สึกไปเรื่ ร, รู้สึกง่ายๆเช่นพอคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเรารู้ว่าพอง คนเขาด่าเรานะใจเราเดือดผุดผุดขึ้นมารู้ว่าเดือดนะรู้ลงไปเลยเราเห็นเลยเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวมันก็ยุบนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกมีเหตุมีผลมีเห ต, มเห ต, มเหตุมาอย่างนี้ก็มีผลอย่างนีนะ้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆบังคับไม่ได้หรอกเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยขับรถอยู่เขาปาดหน้าโมโหเห็นไหมความโกรธมันผุดขึ้นมาไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันปผล่ขึ้นมาเองดูไปอย่างนี้ หิวข้าวนะทุรนทุรายเจ้านายก็เรียกไม่เลิกปรึกษาประชุมอยู่นั่นแหละเราหิวข้าวจะตายแล้วโมโหนะโมโหแต่ยังต้องจำใจยิ้มยิ้มไว้เดี๋ยวเขาปลดออกจากงานอย่างเงี้ยโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นเลยความโมโหเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราหรอกได้ไปกินข้าวนะเจอของอร่อยชอบใจความชอบใจก็เป็นสิ่งแปลกลอมเข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวก็ไป ในทุกอย่างในชีวิตเรานี่นะดูไปเรื่อยในกายในใจนี้มีแต่ของโช่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้แหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดมันจะแจ้งขึ้นมาเองมันจะพ้นทุกนะพ้นทุกเท่าเท่ากันนะแต่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเท่าเทกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอราหันต์ธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเท่าเทียมกัน ความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นแตกต่างกันอย่างพระสารีบุตรก็เข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกความรู้ความเข้าใจก็จํากัดสาวกถัดมาลงก็ยิ่งจํากัดใหญ่สุดท้ายจํากัดอยู่ที่ใบไม้หนึ่งกำมือใบไม้หนึ่งกำมือมีอยู่สใบเท่านั้นนะไม่ได้มีหลายใบหรอก <c oughs> คืออริยสัจนั่นเองกํามือเดียวครอบคลุมธรรมะ ท, ทั้งหมดที่ท่านสอนนะแก่นมันอยู่ตรงนี้ เอาไปเชิญไปทานข้าวนะเดี๋ยวรอบสองจะได้ไวหน่อยนิมนต์ครับนิมนต์